จากอิสลามจากอิสลามจากอิสลามจ و กอิสลามจากอิสลามจากอิสลามจากอิสล م มจากิสลมาลิสามากอิสลลลามจากลามจาิลลาลามจมากอิลิลามลามากอิสลาอิสลามจอิลลาอิลามอิลลลลอลากลออมมมออลอิาลอิสิลลอม วะ ح ล ل ل ุบดะมะมิลิซานียั قهو คำูลอัลลอฮุมะบิค่่อัลบ م พหนะวะบิค่่อัมซัยนะวะบิค่่อ ي มูตุวะบิค่่อัมหียะไวไลค่่อหนูชูร์อัลลอฮุ ا ะอันตัรบบิลาอิลล ت ห์อิลล ل ่อันตะขลัตต์ وأبو بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสซุบทุกท่านครับลฮัมดุลิลละเป็นความเมตตาเป็นนิามัที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอ์ได ประทานกุรอานเป็นทางนำสำหรับชีวิตคำพีที่มาจากฟากฟ้าเนี่ยมีอยู่หลายหลายฉบับก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดสลลอในวุสัลลัมแต่คำพีเหล่านั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงถูกสังคายนาถูกแก้ไขโดยน้ำมือของมนุษย์ คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อลัลลอฮ์กล่าวบอกว่าเราจะรักษาเราเป็นผู้รักษาอัลกุรอานเล่มนี้ให้เหมือนกับวันแรกที่ถูกประทานลงมามีอยู่เล่มเดียวครับเพราะฉะนั้นใครที่ให้เวลากับการเ ท, ทบทวนอัลกุรอานแล้วก็ตัดดับบร หมายถึงศึกษาพิจารณาวิเคราะห์กุรานที่เราอ่านอยู่เนี่ย <c oughs> เขาจะนำเอาความรู้ที่ได้จากกุรานเนี่ยมากำกับชีวิตตนเอง <c oughs> คนที่โชคร้ายเนี่ยนะท่านนาบี เมืม่อมาสโลอลมาสลัมได้กล่าวบอกว่าผมอานเป็นภาษาอุรดูนะจาร์จิ้งซูบัดบัคบัดบัคตีอัดบัดนัสิบีคิอัลลัมัดเฮมีคนอยู่สีประเภทที่เป็นคนโชคร้ายอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยขาดทุนมีคนอยู่สีประเภท ประเภทที่หนึ่งอาคุ้เซยารีนาโคนะไม่เคยเอาน้ำตาเนี่ยน้ำเนี่ยไม่เคยไหลออกจากตาไม่เคยร้องไห้นั่นแหะเป็นคนโชคร้ายเป็นคนที่ขาดทุนเป็นคนที่พูดง่ายๆกับหลงดุนยาแต่เวลาดาราตายาร้อง ดารามีเกี่ยวอะไรกับเ้แต่ดาราตายร้องนั่นคนหลงดุนยาทั้งหมดไม่เคยร้องไห้เพราะความเฉยเมยที่ตัวเองเฉยเมยหันหลังให้กับาศาสนามาในกี่ปีแล้วล่ะไม่เคยร้องไห้อะเรียกว่าฟลัง ก็ฝืนตัวระไม่เคยร้องไห้ให้กับความผิดของตัวเองคําว่าผิดเนี่ยนอิสลามอธิบายง่ายขันหลังให้กับาศาสนาไม่นมาตยห้เวลานี่ก็เป็นคนหลงแลว้วแค่ไม่นามาตย์ใหเวลาเป็นคนหลงไม่เคยจับคุรานอ่านเลยถามว่าคนดีหรือคนเลว ไปถามชาวบ้านชาวบ้านวัน ด, ดีขอให้มีเงินกว่าแล้วกันถ้าถามชาวบ้านนะฉันมีงานทำมีเงินเข้าเนี่ยอินคัมเนี่ยได้วันนี้ห้าพันอัลฮัมดุลิลลทุกคนก็มองมองอะไรนะมองเงินมองบ้านใหญ่ๆเรามองรถที่ขับอะ่ะก็มองแค่นี้เองนั่นคนที่หลงดุนยาทั้งหมดะ ท่า น, นใครที่ไม่เคยเฉยคนที่ไม่เคยร้องให้พ่อตัวเองห่างศาสนานี่นะไม่เคยให้เสียใจเลยสักนิดหนึ่งขอให้ได้สตังกันแล้วกันในอิสลามมองว่าคนประเภทนี้ที่อัลลอฮ์ส่งนบีมามาสอนคนประเภทนี้แหละประเภทที่สองหัวใจกระด้างคนอย่างนี้เรียกว่าคนหัวใจกระด้าง ลองไปถามชาวบ้านกระด้างไหมมาป้ายังยังร้องให้เวลาพระเอกตายเนี่ยเขาเรียกว่าหัวใจอ่อนไม่ใช่นั่นละใจกระด้างนี่มองจากภาพอิสลามะนะประการที่สามมีความหวังคำว่าหวังเนี่คือหวังว่าจะอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อีกนาน หวังว่าจะอยู่อีกนานอยู่อีกหลายปีตัวเองยังไม่ได้เจ็บเนี่ยยังไม่ได้ป่วยยังไม่เข้าโรงพยาบาลยังไปเดิน ฟ, ดฟุต ฟ, ฟ, ฟิตฟุตฟิตอยู่โซลหลงรอก้าวได้เนี่ยอมองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ได้อีกนานถ้าคิดแบบนี้เมื่ อ, อไรนะทำให้อา ค, รอ ค, คารขาดทุนคนที่คิดแบบนี้นะทำให้อา ค, รอ ค, คารขาดทุน ถามว่าคิดอย่างนี้ดีไหมไม่ดีครับคิดไม่ดีคิดผิดอ่ะเพราะนั้นต้องคิดใหม่คิดแบบที่อัลลทฮ์ส่งนบีมาสอนเนี่ยให้เราคิดคิดทบทวนตัวเราเองนี่แหละเรายัางยังมีอีกอีกห้าปีแต่เย่างหยางยางยายางงานนี้อีกนานอย่างน้อยยี่สิบคนที่คิดว่าตัวเองอยังอยู่อีกนานเนี่ยนะโอกาสจะทำความดีมีไหม จะมานมาสุโบที่มัสยิดไหมจะลุกขึ้นนมาตาหยุดไหมเมียไม่นมาสไม่เป็นไรอยู่อีกนะั่นเธอยังสาวกว่าฉันเยอะ <laughs> ฉันในสี่สิบแล้วเธอพวกยีบ oh ่บห้าโอ้โหนี่รนะคาทุนทั้งหมดเนี่คิดแบบนี้นะไม่ใช่คิดถูกนะคิดผิดเนี่ยฮะดิษคุท่านนาบดสอนดีนะตูลุลอามัน ตุลอมันกับมัทลับเหยื่ยดยอดุ尼亚คีมัคบัตอันฮาริสมาอินฮุมาตอันมูคีอัคิรอดเซเบฟิกิดกิซัดไม่เคยคิดถึงวันตายเลยปล่อยให้ชีวิตอร่อยอนะครับเ น, นั้นคำอธิบายของขัตติสนะครับท่นอนานัสในขัตติสกุรตูบีนะับในตบศีกกุรตูบีเอาวันนี้เรามาเริ่มต้นสร อัลฮิจรอัลฮิจรนี่แปลว่าชาวเขาชาวเขาเราก็นึกชาวเขาวเป็นเราใช่ไหมพวกอีกองอีกออ้กพวกนี้นะพวกอีก้เนี่ยในสายตาของพวกเราก็คือคนที่อ่อนแอ น, นะอยู่บนเขาปลูกฝิ่นบางอะไรบ้างใช่ไหมแต่ชาวเขาที่อัลกรุรอานเล่าเนี่ยก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งหลังจากทั่ว อาดพวกอาดอาจสมุตรนะใช่ไหมกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้อำนาจให้อำนาจแบบอัลลอฮ์ให้กับอเมริกากับจีนวันเนี้มีพลังเยอะมากเลยมีทหารมีอาวุธแล้วก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยอัลลอฮ์ให้อำนาจแต่คนเหล่านี้เนี่ยนะพอ ม, มีอำนาจแล้วลืมอัลลอฮ์ พอมีอำนาจแล้วลืมอัลลอ์แล้วคนแล้วนี้นี่อัลลอ์ให้อย่างหนึง่งปูบ้านนี่นะสกัดภูเขาทำเป็นบ้านโอ้โหแ้วบ้านเขาแข็งมั่นคงโอกาสที่จะพังนี่ไม่มีนอกจากภูเขาระเบิดเท่านั้นแหละยิ่งมีอำนาจยิ่งมียิ่งมีเงินยิ่งมีพวก แทนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์กับทําอะไรนึกเองอะไร <c oughs> ในเราคุณทรยศต่ตออัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตลัลลาถามว่าอัลลอฮ์เล่าเรื่องอย่างนี้นะ่ะเอาไว้ในคัมภีร์คุรานให้พวกเราอ่านเพื่ออะไรเพื่อเตือนพวกเราเตือนคนที่อา่อานคุรานวันนี้นะ่ะอย่าทําตัวเหมือนพวกพวกนูน้นพวกที่เล่านี้แหละ พวกสมูทพวกอาดอย่าทำตัวเหมือนพวกเขาคนเหล่านั้นนี่อัลลอฮฺทำลายหมดแล้วทำลายหมดเอาเช่นอะไรบ้างทำลายนะให้แผ่นดินไหวก็เหมือนกับที่ให้น้ำท่วมเมืม่อหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลงโทษเหมือนกันให้ภูเขาไฟระเบิด ในะสมัยนู้นนะให้พวกเขาไฟระเบิดให้น้าอะไรนะให้แผ่นดินไหวแล้วพวกนี้โนอนตายหมดเลยนะลองไปถามคนกาเฟถามว่าคนที่ตายนะจบไหมคนกาเฟตบอกว่าไงนะจบแต่ถ้าถามผู้ศรัทธาต่อรอดถามคนที่มีอ ي มานถามท่านนาบีมุฮัมมัดถามซวา บ, บ้านนบีถามว่าตายแล้วจบไหมไม่จบ อย่าคิดว่าตายแล้วจบใน h a ดี s อธิบายบอกว่าอิดามาตูอินตาบะฮูคนชั่วๆคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยเวลาตายแล้วนะเพิ่งตื่นเวลาตายแล้วเพิ่งตื่นอธิบายยังไงอะตอนอยู่บนดุนยานี่มันอร่อยมันเพลินอะแค่นอนนี่ก็อร่อยนะเนี่ยนอนเนี่ยไม่ตื่นมาสูบโบเนี่ยอร่อยไหมนะ่ะ โอ้โที่นอนนิ่มๆแต่งงานใหม่ๆโอ้โหอร่อยจริงๆมันจริงๆนั่นแหละคนนอนหลับไปตื่นตอนไหนตอนตายพอตายภาพเน่เห็นหมดเลยไงเห็นเห็นภาพออาวัลกุรอานตรงไหนที่ว่าตายเราเห็นลาลาตรานลาราวุนนะฮไอน้าเรียกีนอยู่ในเล่มเรียก และตาโวุนนะฮะไอา้นาฬิกนคนตายเขาจะได้เห็นทั้งหมดแหละสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยสิ่งที่นบีบอกบอกบอกบอกบอกบอกไว้สิบปากอะไรนะสิงปากว่าไม่เท่าตาเห็นเราพูดกันมานะคนที่นบีสอนไปแล้วนะระวังนะหลังตายจะเห็นอะไรเยอะคนไม่เชื่อเรา พอตายจริงๆพงใจไปเห็นอาย่านี่ไงลาตาโรวุลนะฮะไอนาเลียีหลังตายเขาจะได้เห็นด้วยสายตาที่เชื่อมั่นโอ้โหเห็นจริงๆเลยขาดนมาศเป็นอย่างนี้ไม่เป็นมุสลิมเป็นอย่างนี้ไม่ได้จ่ายสกาศเป็นอย่างนี้อยู่กันไม่ได้แต่งงานเป็นอย่างนี้เห็นหมดเลยอ่ะเห็นการลงโทษของอัลลอ หลังตายอยู่ในกูโบเนี่ยเห็นหมดเลยครับลาตาราวุนนะฮะายนลยักินเขาจะได้เห็นเห็นจริงๆด้วยภาพที่ท่านนาบีสอนสอนสอนว่าอย่าทำนายอย่างนี้อย่าทำเดี๋ยวคุณจะถูกลงโทษไม่เชื่ออะไรอะเงินมันมางเงินกระชือเสียงบ้านใหญ่ คนชมเชสิสรรเสริญให้เกียรติลืมอ่ะลืมภาพที่ท่านอดีสอนพอตายจริงๆคงจะนึกออกถาาว่าแก้ตัวท่านไหม่ะแก้ได้ไหมไม่ได้อ่ะอันตรกินช่วยได้ัหมไม่ได้เลยอ่ะจะนั้นมีอยู่อย่างเดียววันนี้นะ่ะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองฟังศาสนาเยอะๆพี่น้อง อาสรุปง่ายๆนะคนที่จะหัวใจสงบนะหนึ่งมีสี่ข้อนะหนึ่งให้ทบทวนกุรานเยอะๆแต่ต้องรู้ความหมายด้วยนะข้อที่สองอะไรนะให้รำลึกถึงอัลลอ์ด้วยการฟังศาสนารำลึกถึงอัลลอ์ด้วยการท่องบทดูอาต่างๆอ้าวดูอาตอนตอนตื่นนอนมีเป่า พี่ต้องอย่าไปมองเป็นเรื่องเล็กๆอ้าเรื่องเล็กดองอาตอนตื่นนอนกับดวงอาออกจากบ้านจะบดองอาเข้ามาสัสยิดกับดวงอาขึ้นรถเป็นการดำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยราคามันแพงมากนะสิบแต่ละนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเพราะไปพหตตอนตาจะเห็นหมดเลยว่าอัลลอฮ์นี่ผ ล, ลบุญที่ฉันเข้ามาสัสยิดด้วยเท้าขวานะ่ะ อ, ลอลลัลลอฮ์ผลบุญเยอะขนาด น, นี้เลยนะเนี่ยอาอนี่ผลละบุญตอนออกจากบ้านมีอ่านดูอานึกถึงอัลลอฮ์นี่ผลละบุญเยอะทขนาด น, นี้เลยเนี่ยลหล้ามอยู่เลยเลยพี่น้องถ้าอย่าดูถูกสุนาานะบีของเล็กๆน้อยๆอย่าไปดูถูกพยายามไขวคว้าเรียนหาความรู้นบีทําทําตามนบีเลยตรงนั้นแหละมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่เหลนะนะเเือเกินรำลึกถึงอัลลอฮ์ทาใจสงบหนึ่ง โดยการทบทวนคูา่านสองดำลึงถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบโดย ก, การฟังศาสนาดำลึงถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบด้วยการท่องนึกถึงอัลลอฮ์ผ่านบทดว้วยต่างๆดำลึงถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบมีความรู้อิสลามแล้วเรียนมาดาวะตั้มริคต์ตมาไม่ใช่มานอนกดความรู้เอาไว้และพาติดลงไป อาไปทำอะไรที่ลมมันต้องบอกต่อสอนต่ออธิบายต่อใช่ไหมครับอีตอนทำงานศาสนาเนี่ยต้องนึกนะหวังอะไรนะอีมานั้นวัติเจบันหวังอย่างเดียวให้อม م า ن เพิ่มให้หัวใจของเรานั้นผูกพันกับอัลลอฮสุบฮานาตาลา วันนี้กุรานสุรออัลฮิจรุนะครับอัลฮิจรุแปลว่าชาวไรนะชาวเขาคนเหล่านี้เนี่ยเราต้องเรียนเรื่องชาวเขาเพื่อไม่ให้เรานั a นถล่มไปทําตัวเหมือนพวกชาวเขาที่อัลลอฮ์ให้เงินให้อํานาจให้นูน่นให้นี่หลายอย่างแทนที่คนเหล่านี้จะขอบขอบคุณอัลลอฮ์ชุกอตต่ออัลลอฮ์กับอะไร น, นะเนรคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุบันอลัลลรู้ป่าวอัลลอฮ์ส่งนบี เชื่ออะไรที่มาในยุคนั้นน่ะชื่อนาบีอสซอลและแล้วก็ให้อูดมาตัวหนึ่งอลัลลอสซาลาหมไปยุ่งกับอูดของนาบีอสซอและนะ่น่ะใจพวกนี้โอโ้โหมไม่เชื่อนาบีอสซอลแลวแล้วก็ตัดขาอูดด้วยตัดขาอูดทรมานอูดใช่ไหมแล้วก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็คนที่เชื่อซอลแลเนี่ยพีนคนจนๆหมดเลยนะ ไอ้คนที่ขวางขวางนะคนคนรวยทั้งนั้นคนมีอันจะกินทั้งนั้นขวางนาบีซอลแล้วเพื่อต้องการจะบอกว่าวันนี้นบีมุฮัมมัดนี่นะคนที่ขวางอิสลามเยอะไหมเยอะมากครับคนจนหรือคนรวยที่ขวางอิสลามมาเนี่ยรวยทั้งนั้นน่ะแล้วคนที่เป็นมุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยเป็นไงอะ่ะนี่นะในสายตาของคนกาเฟ่นคนจนหมด แต่ว่าใจโอลโอัโอกบัตินี่ใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่นะจนเงินแต่ใจใหญ่คนที่ยอมตายบกป้องอัลลอ์เราซูนด้วยเงินและทรัพย์สินด้วยชีวิตจิตใจเนี่ยเครว่าตายไรนะตายเฉียดโอโลโฮลองตายดูสิโอโลอักบัตไอเจ็บเจ็ บ, จบที่ถูกฆ่านี่นะนบีบอกว่ามดกัดเจ็บว่า นึกภาพไม่ออกว่าจัดเจ็บว่าทํำยังไงไม่เจ็บพี่น้องเนี่ยอันนี้ไม่ได้ยุให้ออกสองครามนะให้เราปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยชีวิตของเราะโดยความรู้ของเราด้วยอัคลาของเราด้วยมารยาทดีๆของเราเอามาดูกุรอานครับอลิฟลามรออลิฟลามรอเนี่ยความหมายที่แท้จริงไม่มีใครรู้แต่ในตับซซร ของมาจิดีภาษาอูรดูนะเขาบอกว่าอาณาอเล็แปลว่าอาณาแปลว่าฉันลามเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ฉันคืออัลลอฮ์อารอโรเนี่ยแปลว่าฉันเห็นเห็นฉันคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเห็นเห็นทั้งหมดที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ ไอเราเนี่ยจะเห็นมันต้องมีอะไรนะต้องมีสื่อใช่ไหมละ่ะแต่ของอัลลอฮ์นี่ยมัต้องใช้สื่อเห็นหมดอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังของอัลลอฮ์นี่เป็นอัครีได้นะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นทั้งหมดได้ยินทั้งหมดแล้วก็รู้ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้สื่อแม้แต่นิดเดียวอทำดูเลยเหรนี่ถ้าเราเชื่อแบบนี้เนี่ยไอความกลัวมีไหมอ่ะมีเห็นไหมกลัวไม่กล้าทําบา ไม่กล้านอนตอนซูบโบเพราะอัลลอฮ์เห็นอยู่เนี่ยที่ท่านนึกแบบนี้ทำให้อิหมานเพิ่มหรืออีหมานลดอีหมามันก็ลดเพิ่มสิไม่ใช่ลดใช่ไหมแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง oh an, อัลลอ์เนี่ยอีหมานลดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอามาดูกุรานตต่อติลกายะตุลกิตาบะวะกุรานิมมุบีน ติลกอายาตุลกีตาเหล่านี้คืออายาตแปลว่าองค์การทั้งหลายของคำภีคุารานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอายาตต่างๆ เ, เป็นไรนะเป็นองค์การทั้งหลายของคำภีคำภีกุารานเนี่ยมีสิฟัตมีสิฟัตเหมือนทุงคุณลักษณะเด่นของอัลกุรอานก็คือกามิลแปลว่าสมบูรณ์ กูรอานกับกูรอานเนี่ยอธิบายกันเองกูรอานไม่ขัดแย้งกับกูรอ่านทั้งหมดเนี่ยไม่จะขัดแย้งกันเลยอธิบายซึ่งกันและกันนะครับพออ่านกูรอานจโยงอายะห์ไหนก็ได้มันคือมันมันกลมกลืนกันหมดเลยประการที่สองกูรอานนิมูบีนมูบีนหมายถึงชัดแจ้งคำว่าชัดแจ้งเนี่ยอธิบายอย่างนี้เข้าใจง่าย แต่คนที่แอนตีอิสลามเนี่ยอา่านลกุรอานยังไงก็ไม่เข้าใจแต่คนที่ศรัทธาอยู่แล้วน่ลึกๆเนี่ ย, ยอา่านลกุรอานแล้วเข้าใจง่ายม้ยง่ายมากเลยพี่น้องอันนั้นสิ่งประับของอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่สองข้อในอาย่า น, นี้นะหนึ่งก้ามิลแปลว่าสมบูรณ์ประการที่สองวา่าเดะอัลกุรอานนีชัดแจ้งเข้าใจง่ายท่องจำก็ ง่ายใช่ไ้ยลูกดูหลาะะะเราอายุแค่เจ็ดแปดขวบปอดทองจำกล้องอานก็นแล้วเด็กๆที่เรียนหนังสือที่โรงเรียนที่เขาสนใจาศาสนานีไไปนะอัลลอฮสุรอหัวเล็กเนี่ยทองจำหมดง่ายหรื อ, อยากถ้าหากว่ายากนะ่ะเด็กไม่ท่องหรอกมีมีคนหลายคนนะ่ะเป็นโรคอัลไซเมอร์ลืมหมด แต่คุรานี่ไม่ลืมให้ไหมเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยลืมกันหมดลืมลูกลืมเมียจำหน้าใม่ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมก็คืออัลกุรอานที่เคยท่องมาตอนหนุ่มๆเนี่ยตอนแก่ไม่ลืมอัลฮัมดุลิลละนี่อัลลอฮ์ปกป้องที่นี่คนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ผมอ่านจากหนังสือภาษาอูรดูมีอยู่เล่มหนึ่งซุนนะนบีแอนด์โมเดิร์นสายน์ โรคอัลไซเมอร์เนี่ยมาถึงโรคอะไรนะอัลไซเมอร์เนี่ยความจำเสื่อมวิธีปกป้องความจำเสื่อมเป็นอย่างนี้ให้ยิกรุ่นล่เยอะๆยิกรุ่นล่อเยอะๆยิกรุลกร่ล่อเนะ่คิดถึงอัลลอ์อ่านอายะไงสูรหนไหนีน่อสุบฮนานอัล ล, ล, ล بر, อฮ์อัลฮามบูรินเลยลาอิลาห์อิลลอฮ์อัลลอฮอักบรเยอะๆ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ل الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير นี่พี่น้องเนี่ย د ا ل เหล่านี้น่ยเป็น د ا ء ที่ท่านนบีเองอ่านนะ أستغفر الله وأتوب إليهأستغفر الله وأتوب إليه นบีกล่าวอย่างนี้อซ้ำไปซ้ ม, มาอย่างนบีนั่งประชุมอย่างงี้นะถ้านบีไม่ได้พูดเนี่ยนบีไม่ได้นอสิหัดไม่ได้เตือนนบีจะกล่าวคํานี้แหละอัสต mm. ัฟิรุลลอฮฺวาอตูบุลเลยอัสตัฟิรุลลอฮฺเจสิบครั้งที่ท่านนบีเป็นมะซูมแต่นบีนํำเรื่องอย่างนี้มาอธิบายมาทํา mm. เพื่อจะบอก mm. พวกเราวันนี้ที่ไม่เคยเห็นหน้านบีเนี่ยทําตามนบีซะ เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าโอ้โรคอัลไซเมอร์นี่ช่วยได้รวมไปถึงพี่น้องที่ก่อนอาบน้าเนี่ยก่อนอาบน้าเนี่ยให้อาบน้ร้อนๆเนี่ยให้อาบน้า น, นา ม, มาด์ก่อนอย่าลืมนะอาบน้นามนา ม, มาร์ก่อนล้างอาวัยวะเพศก่อนสองถนนสุขุมวิทกับอะไรเนี่ย สีนักครินเนี่ยข้างหน้าข้างหลังอันล่างให้หมดซะแล้วก็อาบน้ําน้ำมาดคือแปรงฟันก่อนแล้วอาบ น, านา้ําน้มาดรู้เปล่าก่อนอาบน้ํารักษาอาบน้าน้ำมาดไว้เนี่ยเหมือนอาบน้ําะอะไรจะนาบะทุกครั้งพยายามรักษารู้เปล่าปกป้องโรคอะไรโรคอัมพตลูกน้องอมัมพาตใช่ไหมเนี่ย เราไม่รู้ว่าพี่น้องเพราะรักษาทางษาไปรักษาบอกโอ้แล้วทัมจรลล่เบื้องหลังที่เรารักษาสุนนะนบีแต่ละข้อแต่ละข้ อ, แ ต, ข อ, แ, ตขอแต่ละข้อไว้เนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ Allah, บนดุนยาและโลกอาคีรอ ด, ด้วยพี่ท่านพี่นอ้นองกับเชิญชวนกันให้พวกเราเนี่ยรักษาสุนนะท่านนาบีเอานอนกนเหมือนกั น, กนเริ่มนอนโดยตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงขวา บอกลูกหลานเราเลยเนี่ยนอนตามสุนทรนบีนะอธิบายยังไงหัวใจมันอยู่ด้านอะไรด้านซ้ายพอเรานอนตะแคงขวาเนี่ยมีอะไรมาทับหัวใจเราไหมไม่มีถามว่านอนสบายหรือไม่สบายสบายแล้วก็ในหนังสือเนี่ยวิทยาศาสตร์โอลมารุ่นใหม่ๆเขาเขียนดีนะนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงอิ่มแล้ว แต่ที่พ่ออิมก็ตื่นพอตื่นแล้วก็ุกขึ้นชีกลางคืนก็อานน้านมนตเลยแปลงฟันแล้วก็มานมาา้ามนต์แหัยุตยิ่งตอนนี้เนี่ยตื่นกี่โม ง, งอะี่คึ่ยงเมื่อคืนพ่ตื่นตีสี่ึอัลลออักบะมีเวลาอีกเท่าไหร่ชั่วโมงนึงอะนมามได้ไหมเหม็นมนมาดได้ดิกรุลลอฮได้อะไรได้หมด แต่นี่บางคนตื่นมาแล้วชี้แล้วทำไงต่อนอนต่อยังมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งยังนอนได้อีกเยอะทำไมไปนองครับก็ก็เลือกชีวิตเอาดีกว่าชีวิตที่อยู่กับอ a l l a ชีวิตที่กล้าชิดกับอ a l l a ชีวิตที่อยู่กับศาสนานี่มันดีหรือมันเลวถาว่าขาดทุนดุลย์ไหนตุนตีสี่ครึ่งไม่ได้ขาดทุนดุลย์เลยมีแต่ ได้สุขภาพแข็งแรงอิมานเพิ่มรีสกีเพิ่มขอที่พี่น้องขอดูอาจากอัลลอฮ์ขออะไรอ่ะเอาลูกเราเอาสนักก็เมียเราไม่ค่อยคุ้มียาขอที่อัลลอฮ์พูดไม่เชื่อแล้วอาจจะเลิกกันแกแล้วเอาอยู่กันก น, นี่แหละแต่ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค่อยๆแคร์กันไปพี่น้องทั้งหลายดังนี้เป็นตน้นเอาพี่น้องครับอายาที่สองนะ รุบามายาวดดุลลาดีนักคฟารูลาห์กานูมุสลิมีนรุบามานี่แปลว่าบ่อยครั้งบาร์บาร์แต่ภาษาอูรดูนะบาร์บาร์บ่อยครั้งเหลือเกินภาษานี้นี่นะครับเป็นภาษาที่คนกาเฟตพูด กาฟารูเนี่ยรวมไปถึงพวกเราที่เป็นแขกไม่เอาศาสนาด้วยหรือว่าคนกาเฟสในนครมักกะที่แอนตีนบีมุ hammad หรือคนที่นบีมูซานาบีอาลีซานาบีอิบรอฮิมนบียูสุฟยูนุสเก่าๆทั้งหมดที่ตายกันในวันนั้นนะกล่าวเหมือนกันหมดเลยกล่าวด้วยความในภาษาตัซํบาบนิว่า ยันดามูนายันดามูน n ฟิ i อาคิร์าเขาจะเสียใจในโลกอาคิร์าะคาว่าอาคิร์าะเนี่ยเริ่มเมื่อไรใครตายก่อนก็ถึงอาคิร์าะก่อนอัดลองตายดูสิใครตายก่อนถึงโลกอาคิราะก่อนจะนั่นคนที่อยู่ในโลกอาคิร์าะทุกคนเนี่ยนะเสียใจหมดเลยครับรวมไปถึงมุมินนี่ละ จะสังเกตนะเขาวันนี้นะเลาแกหนูมุสลิมินบรรดาผู้ปฏิเสธบ่อยครั้งที่บรรดาผู้ปฏิเสธหวังว่าจะดีเสียนี้กะไรถ้าพวกเขาได้เป็นมุสลิมถ้าพวกเขาได้เป็นมุสลิมจะดีมากๆเลยอัลลอฮฺอักุบันเห็นนี่ยังการเป็นมุสลิมเนะี่ยดีแค่ไหนนี่อัลลอฮฺเล่าให้เราฟังนะ ผู้สร้างโลกสร้างดุนยาสร้างทุสิงทุอย่างให้เราวันนี้บอกว่าคนที่โชคดีก็คือคนที่ตายในสภาพที่มีอีมานแต่คนที่แย่ที่สุดลำบากที่สุดอันตรายที่สุดก็คือคนที่ตายไม่มีอิสลามติดตัวไปติดต้องสเกต น, นี รูบามายาวัดดุลละซีนักฟารูลาฮุกานมุสลิมบรรดาพูดปฏิเสธบ่อยครั้งเหลือเกินบนบนพูดว่าจะดีเสียนี้กระไรถ้าพวกเขาได้เป็นมุสลิมเมื่ อ, อกล่าวตอนไหนรู้ไหมตอนใกล้จะตายในตำสีอิบนุกะซีรอธิบายไาเยอะหนึ่งตอนใกล้จะตายสองตอนถูกลงโทษอยู่ในกูบอ สามตอนถูกลงโทษรุนแรงทรมานแบบใหม่ๆไม่ซ้ำของเก่า อ, อย่างวันนี้มีมแมลงป่องมากัดแล้วอีกวันหนึ่งมีงูเข้ามารัดอ๋อนึกว่ า, มาแมลงป่องมาจะเด็ดเตียมเตรียมใจทันยังมีการลงโทษแบบใหม่ไม่ซ้ำเก่ามาอีกพอถูกทรมานทีนึงอย่าอ๋อถ้าเป็นมุสลิมก็ดี ไอ้มวันนี้ะดามุสลิ ม, มะ่ะไอ้มงบ่ะดาคนมีเขาให้เขาแพะะ้บ้างอ้าเชิญดากันไปเถอะไอ้คนที่ดาดานะั่นแหละเดี๋ยวตอนตาจะรู้อ๋อถ้างี้ฉันเป็นมุสลิมเสียก็ดีนี่เล่ากุรอานเล่าให้ฟังเลยนะพี่น้องเออรูบามายาวัดดุลลาดีนกาฟรูแล้วกาหนูมุสลิมีบ่อยครั้งที่บรรดาผู้ปฏิเสธ หวังว่าจะดีเสียนีก่กระไรถ้าพวกเขาได้เป็นมุสลิมเมื่อเห็นความดีของอิสลามอีกอุลามะอีกท่านหนึ่งอธิบายบอกว่าคนชาวนรกเมื่อเห็นมุสลิมถูกคือเป็นไงคำว่ามุสลิมเนี่ยนะไม่ไม่ใช่มุตตีน ไม่ใช่คอชยานไม่ใช่มุมสลิมเข้าใจนะมุสลิมเนี่ยนะแต่อลรรบไม่ได้พูดว่ามุสลิ น, นคนที่เป็นมุมินศรัทธาอรรบไม่ได้พูดพูดมุสลิมแสด้ว่ามุสลิมโอกาสตกนรกมีเหมือนกันนะมุสลิมอะ่ะก็คือคนที่เป็นแขกอะ่ะแล้วก็นมามาปีทั้งสองครั้งมีป่าพวกเราอะ่ะไม่ใช่พวกเราใช่ไหมที่นมาดปีละสองครั้งมีไหมมี ห้าเวลาไม่นามาต์นามาต์าเฉพาะวันอะไรนะวันศุกร์มาก่อนฮัมเดลลานั่งสอบหลังก่อนฮัมเดลลาดีแล้วทีนี้พอคนประเภทนี้นะเวลาตกนรกอยู่กับคนกาเฟสเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยคนกาเฟสมันก็พูดว่าไหนว่ากาลิมาตเตฮิตของคุณนะ่ะช่วยได้คุณก็พ่อก็ฉันในวนันนี้นี่คนกาเฟสพูดนะอยู่ในนรกด้วยกันนี่แหละบอกก่าอ้าว ไายว่าคุณเป็นชาวสวรรค์นะ่ะอยู่บนดุนยาเนี่ยพูดว่าชาวสวรรค์ชาวสวรรค์แล้วมันตกนรกอยู่กระฉันทำไมอัลลอฮฺได้ยินคนกาเฟตตาําหนิมุสลิมอัลลอว่าอ้าวอ้าวอ้าวอาอา้คนที่มีอ ي มานอยู่ในใจสักนิดนึงนะ่ะให้ออกพอออกจากนรกแล้วคนกาเฟตนะ่ะเฮ้ยแล้วกูไม่ได้ออกแล้วมึงออกไง ก็เพราะในใจมี إ ي م านอยู่ไงเห็นไหมในใจยังมี إ ي م านอยู่บ้างพอเอาคนกาเฟตออกคนหนึ่งสองคนสามคนคนกาเฟตก็พูดว่ารูบามายาวั ด, ดุลลาดีนคาฟาลูลาวกานนมุสลิมีถ้าฉันเป็นมุสลิมก็ดีฉันก็ได้ออกจากนรกไปอยู่ในสวนสวรรค์เหมือนคุณบ้างเห็นไหมพี่น้องฉันวันนึงกล่าวเยอะมากเลยเอาถ้าวันนึงออกสิบคนก็กล่าวสิครั้ง ถ้าวันออกรอยคนก็กางร้อยครั้งอ่ะถ้าวันออกพันคนน่ะ อ, อ้หออกคนออกคนหนึ่งก็ตัวเองก็เสียใจเราเราละฉันไ ม, ไม่มีโอกาสได้ออกจากนรกเลยเนยี่ยรู้บามายาวัดดุลละดีนะก็ปรูเลูากาโนมุสลิมีบ่อยครั้งเหลือเกินที่คนที่ปฏิเสธอิสลามคนที่ไม่เอาอิสลามคนไม่เอาไม่เอ า, าศาสนาไอ้พ่น้องจะเป็นมุสลิมไมาใช่มุสลิม คนฝังนูน่นหรือฝังคนนี้พอๆพอกันเดี๋ยวนะนะทุกครั้งจะเสียใจนี่กล่าวนะกล่าวเพราะความเสียใจไม่ใช่ดีใจนะร้องไห้ด้วยนะครับพี่น้องอพี่น้องครับถามว่าอยู่ในรนรกนานไหมแต่ตับซินอธิบายดีมุสลิมที่ทำตัวชั่วนะตกนรกบางคนนานหนึ่งเดือน คงว่าเดือนหนึ่งอย่าไปมองสามสิบวันนะวันหนึ่งของอัลลอฮ์เท่าไหรห้ามืนปีบางคนตกหนึ่งเดือนบางคนตกหนึ่งวันบางคนตกหนึ่งปีบางคนตกตลอดชีวิตเพราะเป็นแขกอยู่พักหนึ่งอนตอนตอน้ตนๆแล้วก็ต่อมาตอนหนุ่มๆก็เละเทะ อ๋อรอไปมีเมียฝังคานุ่นแล้วก็ลูกเต้ามีหลายคนก็ไปอยู่ช่วยไม่ได้เลยลูกๆอ่ะมีหลายคนนะพวกเรานะที่ไปแต่งงานฝั่งคานูน่นแต่งแล้วก็มีลูกสองคนสามคนบางทีลูกตอนเนี้ยพ่อมาเป็นคนดีแล้วนะพ่อมาหาอัลลอฮ์มาหาศ า, าสาศนาแล้วลูกอยู่ฝังคานุน่นโทศรศัพท์มาหา พ, พ่อพ่อพ่อหนูจะบวชมาพ่อว่าไงครับ พ่อนั่งร้องไห้อะพาอตัวเองกลับมาหาอัลลอ์แล้วอะแต่ไปขายทิ้งเอาไว้เมื่อยี่สิบปีวันนี้ลูกกำลังหนุ่มกำลังรอเลยนะเป็นอบตออบจอฮัลโหลพ่อพ่ อ, พอหนูจะบวชนะพ่อว่าไงร้องไห้ร้องข้างในอะมีไหมมีเปล่า <c oughs> ขอทงอา่ อ, อัลลอ์ที่นั่นก่อนจะแต่งงาน่ะต้องนึก ไม่ใช่คำคลํามดูไม่มีหางเอาเลยอ๋อลเลือกผู้หญิงอ่ะไปเดินตามซีคอนอ่ะมันเลือกได้ยังไงอ่ะรอทำไมไมให้สวยมเาเาตูดีไปเดินไปอยู่เอาสูตรยาฮูดีมาใช้เห็นคนนุ่งกางเกงยีนอยู่บนซีคอนแต่เดินชับชับชั บ, ชบอืเข้าตากรรมการเรียบร้อยพี่น้องอย่างนี้เนี่ยนะลำบาก ลองครับขอดูอาราต อ, นะอัลลอฮ์นะอธิบายให้ลูกๆเราฟังด้วยนะงานอย่างนี้นะ <c oughs> คนที่อยู่ในนรกนานหนึ่งวันมีหนึ่งเดือนมีหนึ่งปีมีตลอดชีวิตดุญญนยาของเขาที่ทำชั่วนานแค่ไหนก็อยู่ในนรกนานแค่นั้น แต่ทุกครั้งที่เขาออกเนี่ยคนกาเฟที่อยู่ตลอดชีวิตนั้นจะเสียใจแล้วก็ร้องไห้แล้วจะบ่นว่ารูบามายาบัดุลลาีนกัฟารูลาวการูมุสลิมินนี่อัลลอ์เล่าเรื่องของเราหมดเลยไม่ใช่เรื่องคนอื่นเรื่องพวกเราทั้งหมดยิ่งพวกเราอยู่ในประเทศที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมอันตรายเพราะนั้นถ้าไม่มีาศาสนาถ้าไม่มีาศาสนาเลยเนี่ย สบายเลยสบายไอ้ที่มีบ้างไม่มีบ้างละปูถัวเนี่ยถัวเนี่ยไอ้าพอมีบ้างใช่ไหมก็เป็นห่วงนี่แหละก็เป็นห่วงกันแล้วก็เตือนกันเป็นน้องเลยอย่าหันหลังให้กษัศาสนานะเข้ามาหา อ, ลอลาัลลอ์แล้วเราซูลนะครับนี่คุณอนุญาตนี้ช่วยได้เยอะเลยนกครเป็นน้องเอาต่อมาครับザรหุมยะกูลูอัยตัมัดตา و َ ي ُหْ ه ِ ه มหวังฟ أ า م َ ل ُ้ฟ <ون> َ้จะบบบบรูระะระร آن, َู้้รู้รู้รู้รู้รู้รี้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รครั้เู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รูนีู้รู้ า, า, าู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รูรู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู ว่าด้วยความเสียใจว่าแหมจะเป็นมุสลิมก็จะดีเสียนี่กระไรพอนบีอ่านอญญนาญาในนบีก็เสียใจเพราะนบีเป็นคนที่ห่วงมนุษย์ห่วงคนอัลลอฮ์ส่งนบีมานี่ยเพราะความห่วงต่างแหากบรรจุความห่วงลงไปในใจของนบีและพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ห่วงคนเนี่ยนะมันมีประโยชน์นะห่วงตัวไม่ นบีก็ห่วงห่ว ง, ห, วงห่วงต้นไม้ด้วยห่วงแพะแกะอัวก็ห่วงหมดนะ่ะใครที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะลองไม่ให้น้ําดูสิออาใครที่เลี้ยงแมวก็ตีแมวตายดูสิคนที่เลี้ยงแมวไม่ให้อาหารแมวเอาเราก็ลงโทษอนะ่ะแต่สิ่งที่นบีเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงคนมากกว่าสรรพสิ่งอื่นๆทั้งหมดนะมีอุลามาอยูุ่ท่านนึงบอกว่าวันเวลาเป็นศัตรูไม่ถูกกับคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปคิดแก้แค้น ปล่อยมาเดี๋ย ว, ยวมาชาอัลลอฮ์จัดการแทนอย่าไปทะเลาะ ก, กับคนที่ไม่เอาศาสนาเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการแทนอินติกรไปว่าแก้แค้นอย่าไปคิดแก้แค้นปล่อยปล่อยเอาเชนี้เมื่อ น, นบีนบีไปเป็นห่วงคนเนี่ยอัลลอฮ์ก็ปลอบใจนบีปลอบใจอย่างนี้ซาฮุมปล่อยเข้าไปถ้าพูดแล้วไม่เชื่อนะทาไงปล่อยไปก่อนปล่อยไป ยากรูลปล่อยให้ทำอะไรกินไปแล้วคนที่หลงดุนยาเนี่ยอยู่บนดุนยาเนี่ยอยู่เพื่ออะไรส่วนใหญ่เนะี่ยอยู่เพื่อกินใช่หรือไม่ใช่คนที่หลงดุนยาวันนี้คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยเขาอยู่บนดุนยาเนี่ยเขาอยู่เพื่อกินแล้วอยู่เพื่อพักดีต่อรออยู่เพื่อกินไม่เหมือนกับผู้ศรัทธาต่อรอนะผู้ศรัทธาต่อรอเนี่ยอยู่บนดุนยาใบนี้นะ่ะ กินเพื่ออะไรกินเพื่ออยู่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อทําอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่พราะกระพีคุณอานในที่บาชัดว่าวะมะคอนตุลยินนวลอินซะอิลาลาริยาบุดูนเราไม่ได้สร้างมัยิดยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเป้าหมายก็คือให้ให้ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ชูกตต่ออัลลอฮ์แบบเรียนแบบใครเรียนแบบนบีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ส่งมา เหตุใ้คนกาเฟสเนี่ยไม่เอาไม่เอานาบีเป็นแบบเนร่ะพอไม่เอานาบีเป็นแบบก็เอาใครแบบเอาใครนะฟาโรห์เป็นแบบเอากอรูนเป็นแบบเอาคนชั่วช่วเป็นแบบแล้วคนชั่วแบบเหล่านั้นเน่เวลาที่เขาอยู่บนยุญยานเขาแอนตี้ศาสนาใช่ไหมลนะ่ะแอนตี้นบีมูซาอีซายูซุฟอิบรอฮิมคนในยุคนาบีมุฮัมมัดถ้าไม่เอาอิสลามปั๊บก็แอนตี้นาบีมุฮัมมัดแล้วแอนตี้ สุนนนาบีอัลติมุมินทั้งหมดฉะนั้นซาโรฮุมปล่อยเขาไปคำว่าปล่อยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สอนศาสนาให้ครับไม่ใช่ต้องสอนมีมีเวลาก็าไปเยี่ยมครับที่บ้านสลามมาเลกูวันนี้มาทำ่มมาเยี่ยมพาผลไม้ไปให้ด้วยก็คุยอร่อีจริงนะ ตายแล้วฟื้นนะแต่ไม่โอกาสได้คุยสามสี่คำนะคำจะดีแล้วคำว่าซาราหุมเนี่ยไม่ใช่ปล่อยเลยแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขายะกูรุนให้เขากินไปก่อนวัยตาตมาเตาล้วปล่อยให้หาความสงสัยตัวไปก่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเรื่องการเชิญชวนนะไม่ทิ้งดาว่าเหมือนเดิมเพราะนาบีมาแล้วมาสอนศาสนาให้กับคนเหล่านี้ได้กลับเนื้อ ก, กับตัว ถ้ายังไม่กลับตัวก็ปล่อยทำกินไปก่อนแล้วก็แปลงนะคนเหล่านี้เวลามีเงินแล้วนะแล้วเราเนี่ยเราเนี่ก็คิดผิดนะเวลาคนคนหนึ่งได้เงินได้ทองได้ริสกีเยอะเราก็พมดแมอลัลลอฮ์รักเองเอลัลลอฮเมตตายเองแต่ไม่ใช่รู้ปาตอนเช้าเช้าเนี่ ย, เ, ยเงินเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ ย่าอัลลอฮ์วันนี้จะให้ฉันไปอยู่ที่บ้านใครอัลลอฮ์บอกว่าไปบ้านที่ไม่เอาฉันบ้านที่เป็นศัตรูกับฉันนะบ้านที่ยังไม่ตื่นนะมาซูโบนะไปบ้านนั้นน่ะบ้านที่เขาดา่นานบีมะฮัมมัดน่ะบ้านที่ไล่ค่าอยู่น้องมุสลิมมุหมินอยู่ที่ไหนนี่ด่ามุสลิมด่ามุสลิมมากที่คุมที่จับไปบ้านนั้นเงินก็ทางยะอัลลอฮ์ เอาของดีๆไปให้ศัตรูของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอ์ก็บอกว่าฉันจะดูมันไอที่ฉันเนี่ยที่ให้มันจะนลดลงฮนะก็ <c oughs> ให้ดูมันะ่ะหนึ่งดูอะไรคนที่มันไม่เอาอัลลอ์เนี่ยนะเวลามันได้เงินเนี่ยมันก็คิดทำบาปเพิ่มใช่หรือไม่ใช่ได้เงินมาวันเนี้ยสิบล้านไอคนที่เล่นการพนัน ทุกททุก ท, กทกวันทุกปีเนี่ยมันก็ต้องนึกเนียเออเออได้เงินมาไปเล่นการพนันที่ไหนดีไอ้ที่มันปลอดภัยหน่อยก็คือขมรใช่ไหมเออนั่งรถไปเรื่นที่ขมศต่อไอเล่นเมืองไทยถูกจับพอตอนนี้เขากําลังเล่นเล่นกันแรงๆกันอยู่ถามว่าคิดดีหรือคิดชั่วสังเกต ง, ง่ายๆคิดเลวเอา้าวพอคิดเลวแลว้วบาปตามมาไหมอาดาบตามมาการทรมานจากอัลลอฮ์ตามมา อันที่สามเนี่ยถ้าหากคนเร็วๆนี่นะถ้าเขาทำดีเอา้าปติดเทถนนเข้าโรงเรียนศาสนูประถมเข้ามัสยิดไหนก็ได้หรือเอาเงินมาช่วยเด็กกำพร้ากำพาเขามีเงินเนี่ยใช่ไหมล่ะเขาอาจจะทำดีถ้าทำดีนี่นะอลัลลอดจะตอบแทนบนดุญยาใบนี้เลยรีบให้เลยเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไป เาเช่นอะไรบ้างเวลากินเนี่ยต้องกินเยอะมากกว่ามุสลิมนะคนคาเฟ่น่ะเวลามันกินมันกินกี่ทางอ่ะสังเกตอ่ะไอเรากินกี่ทางกินทางปากใช่ไหมอิ่มยังพอคนคาเฟ่กินกี่ทางหนึ่งกินทางปากแล้วยังไม่พอกินทางหูอีกหูนะั่นอธิบายไงฟังอะไรฟังเพลงแล้วกินทางตาอีกตามองใครอ่ะ มองนักร้องในบนเวทีอ่ะสามทางแล้วแล้วอีกทางหนึ่งกินทางมือมือก็คลําน่นทมนี่จับน่นจับนี่กี่ทางครับสี่ทางถ้ากินสี่ทางรอยหนึ่งอิ่มไหมไม่อิม่มต้องมืนผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยคนที่อิมานต่ออัลลอ์เนี่ยโจ๊กถ้วยหนึ่งอิ่มไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนกินกับบิสมิลลาห์พอกินอิมเสร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ เดินกลับบ้านขอบคุณอลัลลอฮ์นะมาตุฮาตอนั่นมุสลิมค่าใช้จ่ายแพงไหมไม่แพงวันหนึสองร้อยได้จั้งครอบครัวเลยแต่บ้านคนกาเฟตเนี่ยพี่น้องบางคนนะกินเป็นหมื่นพราะกินหลายทางอาลัลลอ์ให้เลยน่ะให้เขาใช้ชีวิตบนโลกดุยาไปนี้ลองตายดูสิพี่น้องไม่มีอะไรนอกจากนารกนึ่งพอตายพรับก็ รบมายาวั ด, ดุลดาีนักฟารูแล้วกาโนมุสลิมียาอัลลอฮเป็นแขกซัก็เป็นมุสลิมเไม่ว่าแขกเป็นมุสลิมก็จะดีเป็นผู้ศรัทธาต่อรอก็จะดีแต่นี่ก็อะไรต้องไม่ถูกลงโทษในกุบดอันนี้เป็นต้นเป็เปัรัุมยาคูลูวายะตมัตเตาปล่อยเขาปล่อยเขาให้เขาไร ให้เขากินวายตามัตตาให้เขาหาความรื่นเริงหาความสุขวายุลฮิฮิมุลอามาลุแล้วก็สร้างความหวังลมลมแรงแรงยุลฮิฮิมุลอะมันแปลว่าความหวังลมล ม, ลมแรงแรงล่อลวงเขาเหม็มสามายาอาการนี่ลักษณะของคนไม่เอ า, าศาสนาพี่น้องหนึ่งคิดจะเรื่องกินกินกินกิน จะกินอะไรดีวันนี้สองอะไรนะอย่าจตมัตต่โนหาความสุขใส่ตัวอันที่สามคิดลมๆแรงๆคิดยังไงคิดว่าฉันจะอยู่บนโลกนี้อีกนานเพราะมีเงินอยู่ห้าหกล้านโอ้ยังสนุกอีกนานถ้าสามรายการนี้อยู่อยู่ในตัวของใครก็ตามถามว่าเขาคิดถึงโลกอาคีรอไหมไม่คิดคิดถึงความตายไหม ไม่คิดก็ต้องไปหายาโดบต่ออีกอ่ะเอเอายาอารมันมีเอายาโดบมากินหน่อยจะได้แข็งแรงคิดถึงสุราหไหมคิดถึงนาบีมุฮัมม oh ัดไหมคิดถึงกุรอ่านไหมไม่คิดคไปไกลไป่นองนี่พอยิ่งคิดมันยิ่งเพลินเพลินอร่อยยิ่งมันยิ่งมันยิ่งมันอะไรนะ่ะคุณอ่านมีใช่ไหมอัลฮะกุมุตตะกาสุรฮัตตะจุรตุมุลมาควบร พวกเขาแข่งกันหาเงินเพิ่มจนกระทั่งเขาไปเยือนสุสานหลมอยู่กระดุนยาเนี่ยมันหลงจริงๆแล้วมันอร่อยนะพวกเรามันผ่านมาหมดแล้วเห็นไหมล่ะใช่หรือไม่ใช่ใชใชอะ่ะถามยิฟา ร, รุกตัวเนี่ยกลับจากมะกามาเนี่ยอัลลอฮฺข้อเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดก็คือมานามาที่มัสยิดเป็นประจำ ทำไมเปลี่ยนแล้วครับนี่ยังไม่ตายนะก็ไปเห็นตาตาใจขอดูอ้าต่ออัลลอฮ์อลัอลอลอฮ์ให้เห็นเปลี่ยนแปลงหมดหลายคนไปทําฮัตกลับมาเลิกบุรีมีิทยาเลมอยู่คนหนึ่งเนี่ยมาฟังตับเซษเนี่ยมีอยู่วันนึงอ่ะหลังจะกลับมาทั้งหกเจ็ดเดือนแล้วนะเรียกผมนั่งตรงนี้มาหนี่สิเฮ้ยคุณเลิกบุรีแล้วนะ ผม ว, ว่นนบอกผมทาไมะบอกเอาลอดสิแจ้งไมันรู้ข่าวว่าดีไหมดีพี่น้องเห็นไหมเลิกบุรีดีได้ไม่ดีดีที่เคยเตะเมียนะ่ะวันนี้เลิกเลิกละเลิกด่าเมียละเลิกบ่นเมียละขอเมียให้กาลังใจเมียบุกเมียนำมงนำมาทั้งว่าดีได้เล็วดีพี่น้องพี่น้องครับเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไปทําฮัทเนี่ยดีมากมเลยนะแต่ที่ก่อนไปเนี่ย กับหลังจะกลับมาแล้วต้องต้องเปลี่ยนแปลงไอตอนไปก่อนห่างสุรากลับมาแล้วก่อนห่างสุราแสนห้าจะได้ <c oughs> อ่ะเอาขอทุลาตอนร้องให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเอาวายกุลูนาวัยธรรมตาอนวายุลฮิฮิมุลอามาลุนตอนปล่อยคนกาเฟแต่ไม่ได้ปล่อยเรื่องดาว่า ตำลีกนะไม่ปล่อยเรื่องกินปล่อยไปเรื่องหาความสุขใส่ตัวปล่อยไปแล้วก็ให้เขามีความหวังลมๆแรลกๆปล่อยไปแล้วเป็นไงฟาซาวฟายาละมูนแล้วพวกเขาจะได้รู้ในไม่ชา้าให้ไม่เพินทั้งหลายเขาจะได้รู้ในไม่ช้ารู้ตอนไหน่ตอนตาย และตารอวุนนะฮะไอนาลยาคีใ น, นครุภ่านพูดชัดนะตอนตายเขาเห็นหมดเลยเห็นทั้งหมดเภาพภาพที่เขาไม่เอาศาสนาทั้งหมดนะเขาเห็นตอนตายเห็นด้วยสายตาที่มั่นคงที่เชื่อแน่พี่น้องวันนี้นบีเนี่ยนบีสอนอัลลอฮ์สอนสิบตาว่าไม่เท่าตาเห็นไม่เชื่อพี่น้องลองตายดู พอตายก็โอ้โหเสียดายบนว่าไงเป็นแขกเป็นมุสลิมก็จะดีอะไอก็แบบเอาต่อมาครับจะนี้คนที่ไม่เอ า, าศาสนาเนี่ยนะคนที่มีความหวังลมๆแรงๆเงนี่นะครับไม่คิดถึงความตายเนี่ยเขาเรียกว่าคนนั้นมีความหวังลมๆแรงๆ แ, แล้วนะไม่คิดถึงวันความตายเลยวันๆหนึ่งนะไม่คิดถึงความตายเลย คนเหล่านี้อัลลอตําหนินะเป็นคนที่มีความหวังลมๆลมลมแรงๆแต่ถ้าคิดถึงความตายไม่ใช่เป็นคนที่มีความหวังล ม, ล ม, ล ม, ลมๆแรงๆคิดถึงความตายนี่ดีไม่ดีที น, นี้พอคิดถึงความตายเยอะๆนะบางคนว่าไม่ดีเอาอย่างเนี้ยวันนิกาเนี่ยคนพูดถือนะนะพูด่องความตายในวันนิกาได้ไมไม่ได้ถือมากเลย แต่นบีอ่านคุดบ้านดีกาเนะี่ยนบีพูดถึงวันวันตายด้วยเห็นยังอะ่ะต้องคิดถึงเรื่องตายตลอดเวลาพอคิดถึงเรื่องตายดีไหมดีมันจะได้หลุดไอ้ของที่มันไม่ดีไม่งามจะหลุดหลุดออกจากร่างบ้างเหลือแต่อีมานอีม่านอีมา น, อ, มานอีมานนะครับดั้นคนที่รวยนี่นะเขาคิดไงอ่อ่ะฉันก็จะสร้างบ้านใหญ่ๆฉันก็จะทําของที่เราต้องการ คนชื่อเสียงฉันก็จะกลายเป็นคนชื่อเสียงโด่งดังแล้วฉันก็จะมีพวกเพิ่มขึ้นคิดอย่างนี้แหละเวลามีตังมีเงินใช่ไหมคิดอะไรหนึ่งฉันมีพวกขึ้นไอคนที่เตะเตะท่านเนี่ยก็ต้องสยบให้ฉันใช่ไหมฉันก็มีบ้านใหญ่ๆแล้วพวกสอขอสอขอที่ต้องมาที่บ้านฉันกนน็นึกเนี่ยคิดลงลนแรงหมดเลยคิดผิ ด, ดอย่าไปคิด รุญญ่นยาเราคิดแค่นี้แหละใช่ไหมใครรู้รวยเนาะก็ฮือกันมาได้เลี้ยงน้ําชาว่างเชาวว้าเ้าอ่ะโอ้สวาวแบบอกปลื้มใจไม่ใช่เพื่น้องก็เลี้ยงก็เลี้ยงก็ไปธรรมดาแต่เราต้องคิดถึงอัลลอฮ์อ่ะเยอะมีเงินมีทองต้องคิดถึงอัลลอฮ์คิดถึงสุ น, นัขในบีคิดถึงเนี่ยญาติพี่น้องเราที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยทําไงให้เขามีศาสนาต้องคิดแบบนี้ครับอย่างอื่นอย่าไปคิดเลยนะเอาต่อมาครับ ต่อมากับว่ามาอหลักณนามิอกาหลีติน ILLA WALAH KITABUM M'ALUM และเราไม่ได้ทำลายว่ามาอหลักณ์นาอหลักษณแปลว่าทำลายเราไม่ได้ทำลายเมืองใดเกรหยะแปลว่าเมือง เวลาอัลลอฮ์ทลายทำลายทั้งเมืองนะเคยทำลายทีหนึ่งปร้อยร้อยคนมีไหมมีทำลายเป็นแสนมีไหมมีทำลายคนเดียวมีแต่ตรงนี้อัลลอห์ว่าชั้นทำลายเมืองมาแล้วต้องนั่งเราต้องคิดอัลลอ์อัลลอท์ทำลายเมืองมาแล้วแล้วคนในเมืองนั้นตายหรือรอดส่วนใหญ่ตายหมด อัลลอ์เบอกว่าว่ามาอลลักนามิ่งกอริยตินและเราไม่ได้ทำลายเมืองใดเว้นแต่ได้มีกำหนดเวลาแก่มันคืออัลลอฮ์กำหนดเวลาไว้แล้วว่าคนที่ทรยศต่ออัลลอ์นั้นอัลลอ์จะลงโทษแน่แ่บางครั้งก็ลงโทษบนดุนยาใบนี้เลยเช่นอ้าวใครบ้างฟาโร ไม่ใช่ตายคนเดียวนะตายเป็นแสนะวันนั้นนะ่ะที่จมน้าทะเลนะที่เดินลงทะเลแลวอัลลอฮ์ลงโทษตายเป็นแสนนะแล้วก็อีกเมืองนึงอนะ่ะเดดเซที่จอร์แดนอนะ่ะนั่นนะพริกแผ่นดินนะ่ะนี่หงกอรยะเราทำลายมาแล้วถามว่าคนเรานั้นเป็นคนดีหรือคนเลวเลวเลวเรื่องอะไรอ่ะคำตอบก็คือพวก ผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันเองเขาเรียกฮอร์โมนอะไรนะฮอร์โมนเซ็กชวลภาษาสวยนะฮอร์โมนเซ็กชวลทำลายมาแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ได้เวลาเราอ่านคู้อ่าเราก็อลอสอนให้เรานึกนะอ๋อนึกถึงเดซีนึกถึงฟาโรรวมไปถึงที่จังที่เมืองไทยอะ่ะที่ไหนที่ภูเก็ตด้วยอะไรนะสินามิ ก่อนหน้าซีนามิที่ญาติเราอยู่แทโรเนียเยอะนะ่ะชุมพลนะเห็นไหมนย่างเนี้ยเป็นต้นเลยต้องนึกนะอัลลอฮฺทำลายครับถามว่าคนที่ตายตรงนั้นนะ่ะจบหรือไม่จบไม่จบนะอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะถูกลงโทษอยู่วันนี้ถูกลงโทษอยู่ในกูโบถูกลงโทษทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนเพราะตายไม่เอาศาสนาไงพี่น้อง ว่ามาอัลัก์นามินปริยตินอิลลาวะลาฮ์กิตาบุมมาลูมเว้นแต่ได้มีกำหนดเวลาแก่มันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนี่อัลลอฮ์บอกเราม่นานแล้วว่าคนที่ทำความชั่ววันนี้ปล่อยให้เขาลอยนวลไปก่อนบางทีอัลลอฮ์ก็ลงโทษบนดุญญนยาใบนี้และบางครั้งก็รอให้เขาตายก่อน มีสองสองช่วงหนึ่งบนดุนยาสองหรือไม่ก็หลังตายแต่ในยุคของอุมมหันบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอ์จะประวิงเวลาเอาไว้ให้ตายแล้วก็เล่นตอนตายเนี่ยนอนอยู่ในกูโบวันนี้รอดอัลลอฮ์ผาขาวสามผืนนึกว่ารอดนละคนที่ตะการบดเตะท่าโอหังน่ะ เอาเราให้ตายนะหมดท่าแล้วนะจัดอัดอยู่ในโรงอะสนุกอะอุลลอฮฺอาคบะดนะอูซบ ah ิลลาฮ์มิญามิเป็นครกับคิดถึงเรื่องตายตายอย่างเดียวนะใจมันก็หอนเาฉะนั้นเดินผ่านกูโบเนี่ยแต่ผมอ่านวันหนึงห้าครั้งทั้งไปทั้งกลับผมได้สิบนะ <laughs> อสาาัสสลามวะลัลลอฮอัลลอฮดียาร์มินะมุมินีนวลมุสลิมิน ว่าอินน้าอินชาอัลลอฮฺบิคุมลาฮิก ل นนัสอัลลอฮฺฮะลานะวะลาคุมลาฟิ ة าผมอ่านผมเตือนตัวเองทุกครั้งนะครับอ้าวต่อมาครับอายาที่หครับมาท م ศบินอุมมัดินอาจัลลาห์วตะแปลว่าอะไรครับไม่มีมูใด ไม่มีหมู่ชนใดเร่งรืถูกทำลายก่อนกำหนดนะเอาลอกกำหนดเวลาไ้แล้วนะไม่มีหมู่ชนใดถูกทำลายก่อนกำหนดเวลาของมันว า, ายัสตะคืรู้และพวกเขาไม่ได้ถูกรั้งทำให้เลยเวลาไปสังห้านาทีไม่ใช่อันนี้ต้องการจะเตือนพวกเราว่าเมื่ออาซาบของอลัลลอฮ์มาเนี่ย ประวิงเวลาก็ไม่ได้ก่อนเวลาก็ไม่ได้รอพี่น้องครับเรื่องอาซาบมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีเขาเรียกว่าบัลลาบาลาป็รการนะการทดสอบสอมฟิตท์นะทดสอบเหมือนกันสำหรับมุมินเรียกว่าบาลาหรือฟิตท์นะแต่สำหรับคนกาเฟ่เรียกว่าอาดาบร่ ล, ลงโทษนะ่ เพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอ์นะที่อัลลอฮ์ให้น้ำท่วมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะนี่เป็นบลระสำหรับคนมุมินแต่เป็นอาซาบของคนกาเฟรเราต้องได้รับข้อเตือนใจที่น้ำท่วมครั้งที่แล้วคุณต้องสังเกตนะมุสลิมเราบางคนที่ไม่เอาศาสนาน่ทิ้งบ้านราคาสิบล้านได้ เมื่อมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วน่ะไม่จะสู้ยูด ต, ต่ออัลลอฮ์เลยนะไม่จะสู้ยูดเลยวางแผนว่าจะเล่นงานรัฐบาลยังไงให้ห้าพันน้อยไปขอเจ็ดไปน้องอันนั้นคนคาเฟ่มันทำจะจะมุ่มินผู้ศ ร, รัทธาต่ออัลลอ์นะไม่จะคิดอย่างนั้นนะโอ้เรือราให้บ้านเราเนี่ยเสียหายสิบล้านแต่ตัวเองยังไม่อัลลอ์ยังไม่ไมทำลายอ่ะ อัลลอฮ์ยังให้โอกาสหายใจจะได้มีโอกาสขอบคุณอัลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์แก่ทาอามัณฑีซอแร่มันต้องคิดแบบนี้ไม่จะคิดเรื่องวัตถุอะไรไปน้องต้องหันมามองว่าลูกหลานเราเนี่ยนมารหรือเปล่านี่อัลลอฮ์ทดสอบนะนะบานพังอย่างเดียวไม่มีปัญหาเดี๋ยวซ่อมได้แต่ตัวเองในเะรือ่องอิมานเสียซ่อมได้ไหมล่ะมันต้องนึกไปเนางทั้งหลมันต้องคิดนึกแบบนาะบีมอฮัมมัดสอนให้เรานึก นึกถึงอะไรนะอย่าไป น, นึกถึงวัตถุวัตถุวัตถุให้นึกถึงเนี่ย إ อี ا ن إ ي م ا ี إ ي م ที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยทำงานใช่อีมานเพิ่มขึ้นครับมาตาสบิโกมินอุ ม, มตินอาจาราไม่มีมูชนใดเร่งหรือถูกทำลายก่อนกำหนดของมันว า, ายัสตาคิรูและพวกเขาไม่ได้ถูกรังคือช้ากวาไม่ได้สักนิดหนึ่งความตายก็เหมือนกันพี่น้อง เวลามาแล้วเนี่ยพี่น้องไม่สามารถที่จะอะไรนะเร่งได้และไม่สามารถที่จะอะไรนะให้ช้าได้เนี่ยเราจะมีหลายคนในเะวลาถูกทรมานเยอะๆนะคนคนป่วยเนี่ยนะถูกทรมานเยอะๆในพี่น้องขออนุญาตหมอให้ทําลายให้ฆ่าเทวนาอิสลาอนุญาตไหมไม่อนุญาตพี่น้องครับเพราะคนกาเฟตมองว่าการเจ็บไข้ในป่วยเป็นของ ไม่ดีแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยนบีสอนว่าการเี็บไข้ได้ป่วยเป็นของดีดียังไงไปลดโทษนบีเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยอาหรับบ้านนอกอารอบีมามาที่นครมาดินะดนะนี่ะดิษนะพอนบีรู้ขา่าวนบีก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่บ้าน พอนบีเข้าไปก็นบีก็เอามารยาทของอัลลอ์ที่สอนนะบอกว่าให้สลามแล้วก็ขอดุดมอัลลอฮุมอะไรอัลลุมัชีอันตะชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาชิฟาอัลลาดิกมลบตู่รุนอินชาอัลล์ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปเครียดการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องดีเป็นการลดโทษใช้แก่คนนี้ไม่เข้าใจอิสลาม ก็พูดบอกว่าคนแก่ๆอย่างฉันเนี่ยเวลาไข้มันขึ้นสูงเดี๋ยวมันก็ตายที่พูดนี้นะมันจะชมอลัลลอ์เลยนะมองว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องไม่ดีนบีตอบไงรู้ไหมฝ้าีรันนาอัมถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็ได้ตามที่คุณคิดเห็นไหมเพนพี่น้องถะา่านเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องมีผลบุญด้วย คนจะได้ผลและบนตอบแทนจากอัลลอ์เนี่ยจากการเจ็บป่วยมันต้องนึกแบบนบีสอนให้นึกต้องนึกว่านี่เป็นความเมตตาของอัลลอ์นี่เป็นการลดโทษใจต้องนึกลาบะสะาวต่อฮูรุนอินชาอัลลอ์ไม่เป็นไรเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นการชำระความผิดของเราให้หมดไปถ้าคิดอย่างนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยกับลดโทษ ขัดคิดตรงกันข้ามโอ้โหนี่ทรมานอีแล้วอารออทรมานจัง ผ, ผลผละบนได้ไหมไม่ได้เจ็บฟรีพรี่น้องทั้งหลายแค่นั้นอยู่ที่การคิดเนี่ยเนียดนะถ้าเนียดดีได้ผลละบนตอบแทนจากอรรรถ้าเนียดไม่ดีจบเค่นั้นการฟังศา ส, ส, ส, สนาเนี่ยการมีศา ส, สนาเนี่ยมันดีอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายเอาวันนี้เราเรียนกันห้าอายานะนักกายพี่น้องทั้งหลายครับสรุปสรุป ความดีที่สร้างเอาไว้เนี่ยไม่หมดอายุความดีท่านพี่น้องนํามาดไว้วันนี้อยู่ไปถึงวันเกียยมะ่ะคนที่มีบ้านเอาไว้หลังหนึ่งเดี๋ยวไม่ช้าบ้านนี่พังไหมพังถึงอลัลลอฮ์ไหมไม่ถึงสังเกตง่ายๆที่นั้นทําความดีหวังรางวัลตอบแทนจากลอวันบากียาตุซอลิฮัดความดีนั้น มีไปตลอดถึงวันกิยามะไม่มีวันหมดอายุส่วนวัตถุที่ท่านพี่น้องสร้างเนี่ยหมดอายุฉะนั้นต้องคิดถึงอัลลอฮสุภาดอลานะครับที่อัลลได้ให้อิสลามเนี่ยเป็นทางนำสำหรับชีวิตก่อนจะจบขอฝากอีกนิดหนึ่งนะพี่น้องครับสองอยาย่นี้เนี่ยเป็นการเตือนเขาเรียกว่าตัมบีแก่พวกเรานะ คนที่ขวางศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์นั้นนะครับคือเป็นคนที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์แน่นอนไม่มีอย่างอื่นแต่การลงโทษของอัลลอฮ์นั้นจะช้าหรือไวเท่านั้นเองนะครับ